กับพอการหองพระกรมแล้วก็เพื่อนทาทึกท่านเจริญในธรรมแม่ชีแล้วก็ญาติทัง ท, ทุกคนวันนี้หลายๆท่านก็คงทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นวันมาคับบูชานะ 2,600 ปีพอดีเลยนะที่ที่ผ่านมาที่พระพิจ้าได้แสดงโอวาทปาติโมกษ์นะ ให้แก่เราพิสูจน์ทั้งหลายจะถือว่าวันนี้เป็นวันของของพระสงฆ์ก็ได้เนาะหรือว่าเป็นของหมู่สงฆ์ก็ได้เพราะว่าถ้าเราจะถือว่าวันวิสาขาบูชาคือวันที่เกิดพระพุทธเจ้านะวันแห่งพุทธะนะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกนี้เป็นครั้งแรกถ้าเราถือว่าวัน อาส า, ารหับูชาเป็นวันที่พูะเจ้าแสดงธรรมครั้งแรกนะแล้วก็เกิดพระสงฆ์รูปแรกขึ้นในโลกนี้วันมาฆบูชาก็ถือว่าเป็นวันของพระสงฆ์เพราะว่าพระสงฆ์หนึ่งันสองร้ยห้าสิบรูปมาชุมนุมกันโดยไม่ได้นัดหมายแต่รวนพระสงฆ์ทั้งหมดก็รวนเป็นพระอรหันต์อยู่แล้วเป็นสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าบวชให้เองนะ มาประชุมกันที่วัดเวรุวันในกรุงราชคฤห์ที่จริงโอวาทปาติโมกที่พระพุทธเจ้าแสดงเนี่ยท่านไม่แสดงให้พระสงฆ์เหล่านั้นเพื่อการบรรลุธรรมหรอกเพราะว่าพระสงฆ์เหล่านั้นล้วนเป็นผู้ที่บริสุดหมดจดจากความทุกข์จากอาสวะทั้งหมดแล้วแต่ท่านแสดงเพื่อให้สงฆ์เหล่านั้นนําคําสั่งสอนหรือว่าโอวาทโอวาทเจ้ย่อนเนี่ย ไปเผยแพร่ต่อหรือว่าไปนำไปเอาไปสอนกับญาติโยมต่อจะถือว่าเป็นวันที่พระเจ้าให้โอวาดเพื่อการเผยแพร่ธรรมะก็ได้นะมีพระสงฆ์หงรูปเนี่ยที่ได้ฟังโอวาทแล้วก็เอาไปเผยแพร่ธรรมะจนทั้งออกไปในทุกทิศ ท, ทุกแดนในถิ่นของประเทศอินเดียจมพูทวีปใน ในอดีตเป็นทั้งต่อมาถึงสมัยนี้ก็จะเรียกว่าทั่วโลกก็ได้เนาะนะธรรมะก็เผยแพร่ไปไปทั่วโลกนะก็เริ่มต้นจากมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นะเริ่มต้นจากการที่พระเจ้าแสดงธรรมก็มีผู้รู้ธรรมตามมานะแล้วก็ผู้ที่รู้ธรรมก็บอกสอนต่อก็เกิดเป็นหมู่สงเกิดเป็น พิษุนีเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกานะเป็นพุทธบริษัทที่ใหญ่โตขึ้นมามากขึ้ น, นเรื่อยๆพวกเราก็ถือว่าเป็นบริษัทเดียวกันนะเป็นพุทธบริษัทถ้าเราพิจารณา ด, ดีโอวาทปาติโมงนี่เป็นสิ่งที่ที่เราสามารถเอามาใช้ในการฝึกขาดตนเองได้ไม่ว่าจะเป็นเป็นนักบวชก็ตามหรือว่า ไม่ได้เป็นนักบวชก็ตามนะอย่างหัวใจสามข้อแรกในโอวาทปาติโมงนะการไม่ทำบาปั้งปวงนะข้อที่สองการทำกุศลให้ถึงพร้อมข้อที่สามการทำจิตนะให้ขาวรอบนี่คือกิต3ามอย่างที่ที่เราจะพึงทำนะบางทีเราจะเคยได้ยินเออเราไม่ทำความชัว่วเนี่ย มันก็ถูกแล้วนะเรามีศีลเราทําความดีนะก็ดีงามแล้วหรือบางคําสอนบางที่อื่นก็มกัเนนสองตัวนี้นะนะไม่ทําความชั่วทําความดีแต่พระเจ้าท่านท่านเรียกว่าเพิ่มหรือว่าท่านย้ําขึ้นมาอีกอย่างว่าแค่ไม่ทําความชั่วหรือว่าทําแต่ความดีนั้นก็ยังไม่พอนะต้องทําจิตของตนให้ขาวรอบด้วย ก็คือต้องฝึกจิตด้วยนะที่จริงการไม่ทําความชั่วนี่ก็เป็นการยับยั้งจิตใจนะยับยั้งกายวาจานะไม่ให้เรียกว่าไม่ให้กระทําในสิ่งที่ไม่ดีงามนะมันก็ดีนะดีนะการทําความดีนะมันก็ดีนะนะดีมากๆด้วยแต่บางทีบางทีเราไม่ทําความชั่วเนื่องจากนะ เป็นการไม่ทำแต่ยังมีการเก็บกดหรือว่าไม่ทำแล้วก็ทุกข์ในใจบางคนจะรู้สึกเลยว่าก่อนภาวนานนะบางทีหรือก่อนศึกษาธรรมะบางทีเราไม่พอใจอะไรเราก็พูดออกไปทำออกไปทันทีทำแล้วก็รู้สึกสบายใจดีนะแต่พอมาศึกษาธรรมะแล้วรู้สึกว่าการไปพูดการไปทาแบบนั้นมันไม่ดี ก, ก็ยั้งใจไว้ แต่ก็รู้สึกเหมือนเหมือนมีมันมีอะไรอัดอัดแน่นๆอยู่ใ น, ใ น, ในใจิตใจนะไม่รู้พวกเรารู้สึกแบบนั้นหรือเปล่านะหรือบางทีแต่ก่อนเคยกินอาหารหรือว่าเคยซื้อของตามใจความอยากตามใจปากนะแต่พอศึกษาธรรมะแล้วเราต้องรู้จักประมาณในการบริโภคเรารู้จักต้องรู้จักยับยัง้งั้างใจในการซื้อของฟุ่มเฟือยนะ บางทีมันก็ไม่ได้มีความสุขเท่ากับการที่เราแบบทำตามกิเลสเนานะกิเลส น, นี่มันก็ฉลาดนะเออถ้ามันคิดอยากขึ้นมา้าเราสนองมันเนี่ยมันก็จะให้ความสุขกับเราเ อ, อ, อยากกินเราก็กินอยากดูก็ดูอยากฟังก็ฟัง อ, อ, อยากคิดก็คิดคิดแล้วมีความพอใจมีความสุขเกิดขึ้นแต่มันเป็นความสุขชั่วคราว เป็นความสุขประเดียวประดาวแต่พอปรึกษาธรรมะมากขึ้นรู้ว่าบางทีไอสิ่งที่คิดไอสิ่งที่อยากเนี่ยมันนํามาสร่งความทุกข์นะเราก็เลยมีสติยับยั้งใจนะยับยั้งใจไม่ให้ทําตามอนะมันโกรธขึ้นมาก็ไม่พูดไม่ด่าบ อ, อกไปอนะมันอยากขึ้นมาก็รู้ทันะลไม่ซื้อไม่หาเข้ามาแต่บางทีมันก็เก็บกดอยู่ข้างในมันะ อัดอั้นอยู่ข้างในก็บางทีเราก็ไม่ทำสิ่งที่ไม่ทำสิ่งที่เป็นเรียกว่าสิ่งไม่ดีหรือว่าความความชั่วนะแต่เราก็รู้สึกทุกข์ในใจนะหรือบางคนรู้สึกว่ารักษาศินะเป็นพระก็ดีเป็นแม่ชีก็ดีรู้สึกมันมันลำบากทำไมมีแต่ข้อห้ามทำไมมีแต่อะไรทำไม่ได้รักษาไปด้วยความทุกข์ รักษาไปด้วยความไม่สบายใจนะอันนี้เราก็มันก็ดีในระดับหนึ่งนะที่เรารักษาสิ้นได้แต่ทำแล้วก็เครียดทำแล้วก็ทุกขหรือแม้แต่การทำความดีเองก็ดีนะบางทีเราก็ทาความดีแล้วเราก็พาบ่นว่าทำไมทำดีแล้วไม่ได้ดนะีคนทำชั่วได้ดีมีสมไปแต่เราทำดีแล้วไม่เห็นมีคนเห็นความดีของเราเลยนะ ทำดีแล้วไม่เห็นได้เลื่อนขั้นทำดีแล้วไม่เห็นมีผลงานบางทีทำดีแล้วกับโดนด่าโดนวิจารณ์อีกนะทำดีแล้วทําไมทุกข์อีกนะบางทีหลายคนก็ทําดีพร้อมกับความทุกขนะ์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะว่าประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจนะทุกข์เพราะว่าคิดจะได้อะไรแล้วมันก็ไม่ได้สิ่งนั้นนะ คิดว่าทำดีแล้วต้องได้ดีทันทีทำดีแล้วต้องมีคนชมทำดีแล้วต้องมีผลงานนะช่วยคนอื่นแล้วเขาต้องขอบคุณเรานะ น, นี่ก็ทำดีแบบนี้ก็ทุกข์นะแต่ถ้าเราทำดีแล้วเราก็รู้ทันโลกธรรมด้วยบางทีเราทำความดีแล้วนะบางทีก็ยังมีคนที่สรรเสริญก็มีคนที่นินทาแั้วก็เป็นธรรมดาของโลกนะ เราทำงานเต็มที่ตามหน้าที่ความสามารถแล้วแต่คนที่เป็นเจ้านายเขาอาจจะมองไม่เห็นผลงานหรือเขาอาจจะมีความไม่ยุติธรรมในจิตใจเขามันก็เป็นธรรมดาของคนนะเอะคนเขาก็มีกิเลสหรือบางทีเราทำความดีไปแล้วเขาไม่ขอบคุณเราอมันก็เป็นเรื่องของเขาเนาะ แต่เรานี่ทําดีแล้วเราทำไมถึงทุกข์ใจเรากลับมาถามตัวเองแบบนี้มันจะได้คําตอบเออเราทําดีแล้วเราทํำไมถึงทุกข์ เ, ออเราเลี้ยงลูกเราดูแลพ่อแม่เราช่วยเหลือเพื่อนบางทีเราก็คาดหวังกับคนเหล่า น, นั้นว่าเออเลี้ยงลูกแล้วลูกต้องได้ดีสินะลูกต้องเชื่อฟังสิลูกต้องอ่าเป็นเด็กที่ดีนะแต่บางที เราก็ไม่สามารถจะคาดหวังแบบนั้นได้นะหลายๆคนนี่ทำดีแล้วก็เครียดนะตอนนีนมายังไม่บวชก็สังเกตนะสังเกตหลายๆคนที่ทำงานในเชิงพัฒนาสังคมพัฒนาชุมชนหรือว่าที่เขาคล้ายๆมีจิตใจที่อยากจะช่วยเหลือคนอื่นบางคนก็ถึงขั้นอยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมเปลี่ยนแปลงโลกในทางที่ดีคนเหล่านั้นหลายคนเป็นคนดีมาก แต่ทําความดีด้วยความทุกขนะ์เครียดคาดหวังทําแล้วสังคมไม่เปลี่ยนแปลงทําแล้วมันมองไม่เห็นทางออกนะก็บางทีก็เครียดจนต้องกินเหล้าหรือว่าผ่อนคลายด้วยวิธีทางโลกๆไปก็เราก็เห็นว่าอทำไมคนเหล่านี้ก็เป็นคนดีก็ทําความดีแต่ก็ยังทุกข์ใจมากดังนั้นคําสั่งสอนที่พระยาชันสอนว่า การชำระจิตให้ขาวรอบก็คือการที่เรามาหมั่นฝึกจิตฝึกใจให้เรียกว่ามีปัญญานะมีอุเบกขาในตัวกํากับแม้จะเราขนาดที่เรายับยั้งใจไม่ทําตามความชั่วนะแต่ก็ไม่ใช่เป็นการยั้งเจนกรทั่งอึดอัดขัดเครืองในใจนะแต่เราจะมีปัญญาคอยกํากับว่าอ๋อนะความชั่วเนี่ย มันเป็นสิ่งที่ทําแล้วมันมีบาปมีกรรมติดมานะเรายับยั้งใจจากการทำความช่วนี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามแล้วนะแต่ก่อนมันก็รู้สึกอึดอัดนะแต่ต่อไปมันจะรู้สึกว่ามันเป็นความสุขเป็นความสบายนะแต่ก่อนต้องต้องแบบพยายามแต่พอฝึกไปมากๆมันไม่ต้องพยายามนะมันเป็นนิสัยเองละนะ แต่ก่อนเคยต้องยั้งยั้งมือไม่ให้ทำร้ายยุงทำร้ายสัตว์ต่อไปจิตมันไม่คิดที่จะไปทำร้ายแล้วมันก็ไม่ต้องไปยั้งที่มือเพราะว่ามันรู้ทันที่จิตมันตัดที่ความคิดนะตัดที่รากเหง้าของการกระทาต่างๆมันก็ไม่ต้องไปยั้งมือยั้งปากละอันนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าเราได้หมั่นในการฝึกจิตนะของเราให้เรียกว่า ให้มีสติมีปัญญานะมันจะรู้เรื่องบาปเรื่องกรรมนะถ้าเราเข้าใจเรื่องเรื่องกรรมนะที่เป็นการกระทำรู้เรื่องวิบาสของกรรมคือผลของการกระทาแล้วมันจะเกงกลัวต่อความชั่วเองนะความชั่วแม้อยู่ในที่รับหูรับตาผู้อื่นมันก็ไม่กล้าทำหรอกนะไม่ใช่ไม่ทำความชั่วแต่ต่อหน้าประชาชนต่อหน้าสังคมเท่านั้น แต่ความชั่วนะมานรู้ว่ามันไม่สามารถหลอกคนอื่นได้หรอกนะหลอกตัวเองก็ไม่ได้นะถ้ามีเทวดามียมทูตก็หลอกเขาไม่ได้หรอกนะแต่คนชั่วบางทีนะหลอกตัวเองไปวันวันะทำแล้วเราได้มีความสุขหรือหลอกคนอื่นไปด้วยไม่มีคนอื่นเห็นหรอกนะหรือว่าปัญญาทางโลกมันฉลาดก็มีวิธีการมีได้เลียม ในการที่จะหลอกลวงซิกแซกต่างๆรู้ว่ามันผิดนั่นแหละแต่จะซิกแซกให้มันถูกเป็นไรไหมแล้ว <c oughs> ก็เป็นแบบนี้ก็มีนะกฎหมายลงโทษไม่ได้สังคมยกย่องคนซิกแซกแต่ได้ดนะีคนอื่นๆก็ทำตามบ้างก็มนะีอันนี้ก็เป็นเรื่องของสังคมนะแต่ถ้าเราฝึกจิตฝึกใจเราจะมีปัญญาเห็นว่าที่จริงความชั่วเนี่ยนะ ทั้งต่อหน้าทั้งรับหลังนะมันไม่มีจิตที่จะไปคิดกระทำนะหรือแม้จะมีจิตคิดไปกระทํามันก็ยับยั้งชั่งใจได้นะอันนี้คือสิ่งที่ถ้าเราฝึกจิตฝึกใจนะมันจะเป็นโดยอัตโนมัติมากขึ้ น, นเรื่อยๆนะแต่ก่อนมันก็รู้สึกยากต่อไปมันก็จะง่ายขึ้นง่ายขึ้นจนกระทั่งมันเป็นนิสัยนะเป็นความเคยชินนิสัยที่เคยนะ พูดไม่ดีทำไม่ดีคิดไม่ดีนะมันก็เปลี่ยนเป็นนิสัยพูดดีทำดีคิดดีนะกุศลนะมันก็เกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัตินี่แหละนะมันเปลี่ยนเลยเปลี่ยนนิสัยความเคยชินจากคนไม่ดีก็กลายเป็นคนดีนะทำดีแต่ก็มีปัญญาคอยกำกับอีกเหมือนกัน <c oughs> ถ้าเราไม่มีปัญญากำกับนะ เราก็จะทุกข์ใจกับความดีทุกข์ใจว่าทําไมเราเป็นคนดีแล้วก็มองคนอื่นเป็นคนชั่วบางทีก็มีนะหลายคนเนี่ยมองตัวเองเป็นคนดีประเสริฐเดชมองเป็นคนอื่มอนอมองคนอื่นเนี่ยเป็นเหมือนมารคอยขัดขวางตัวเองเป็นมารศาสนาเป็นคนชั่วชา้าหยาบคายที่มาไม่เข้าใจเรานะไม่เข้าใจการทํางานเผยแพร่ธรรมะของเรา ไม่เข้าใจเน่ยเราทําความดีนะเนีมาทําไมไม่ส่งเสริมบางทีคิดแบบนั้นนะก็เป็นการคิดผิดเหมือนกันนะเพราะที่จริงแล้วนะเวลาเรามองคนอื่นเป็นเช่นไรบางทีลึกๆในใจเราก็มีเป็นเช่นนั้นเรามองคนอื่นเป็นมารเป็นยักษ์แปงว่าในใจของเราก็มีมารมียักษ์อยู่ในนั้นเรามองคนอื่นเป็นผีเป็นซาตานเป็นคนไม่ดี ในจิตในใจของเราบางส่วนมันก็มีความรู้สึกเช่นนั้นเหมือนกันนะแต่จริงถ้าเรามองคนอื่นนะเออเป็นพระมองคนอื่นเป็นผู้ที่กำลังจะทาความเพียรเพื่อที่จะหลุดพ้นมองเพื่อคนอื่นเป็นผู้ที่มีพุทธในจิตใจเช่นเช่นเดียวกันนะเราทุกคนก็มีสภาวะความดีงามในจิตใจเช่นเดียวกันเราทุกคนก็มีพุทธในจิตใจเช่นเดียวกัน มองกันหน้านนี้นะมันจะมองกันด้วยกวาม เ, เห็นเห็นว่าเห็นว่าทุกคนสามารถพัฒนาได้นะไม่มีใครหยุดนิ่งอยู่กับที่หรอกใช่อยู่บางครั้งเขาอาจจะทำความไม่ดีแต่ก็เป็นแค่ขนาดนั้นของเขาแต่คนเราสามารถเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีได้น ะ, นะเนี่เดานืคนหนึ่งหละเราจะมีความตั้งใจว่าเราจะเป็นกัญญาณมิตรนะ ถ้าเขามาปรึกษาหรือถ้าเรามีโอกาสเราก็จะคิดช่วยเหลือเขาไม่คิดการกระบาดเขาว่าคนนี้เท่ากับศูนย์เราไม่ให้ค่าแล้วไม่ครบแล้วไม่คิดเช่นนั้นแม้เขาจะเคยทำไม่ดีกับเราแม้เขาจะหลงขนาดไหนแต่เราก็ไม่เคยตัดเขาออกไปจากโรคนี้หรอกมันจะมีความคิดแบบนี้อยู่ในจิตใจอยู่เสมอว่าเออถ้าเรามีโอกาสเราก็จะช่วยก็จะบอกเพราะว่าอะไร พอเราก็เห็นตัวเองนี่แหละตัวเราเองก็ไม่ใช่จะดีเดินประเสริฐตั้งแต่เกิดมานะมันอยู่ที่การได้ฝึกหัดนะมันอยู่ที่การได้ฝึกหัดถ้าใครได้ฝึกหัดจิตใจมันก็จะพัฒนาขึ้นได้อันนี้เราก็จะเห็นวนะะถ้าเรากลับมาฝึกหัดตัวเองเราจะเห็นว่าโอ้อการฝึกหัดก็คือการที่เห็นความไม่ดีในตัวของเราเนี่ยแหละแล้วก็พัฒนาจากจุดที่มันไม่ดีให้กลายเป็นจุดที่มันดีขึ้นนะ หรือเราก็เห็นว่าแต่ก่อนเราก็เคยทุกเหมือนกันนี่แหละแล้วก็เคยหลงเหมือนกันนี่แหละนะพอเราพัฒนามากขึ้นนะความหลงมันก็น้อยลงความทุกข์มันก็น้อยลงนะถ้าเราพัฒนาถึงที่สุดนะก็คงจะทําให้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้ซึ่งคนทุกคนจะต่างเลยจากเราอะมันก็ไม่คงไม่ต่างกันหรอกนะนะถ้าเรามองกันเช่นนี้นะเราจะมองกันเป็นเพื่อนเป็นมิตรนะเป็นคนที่นะ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในคุณงามความดีนะแต่ก็ไม่ได้ไปทุกใจไปคาดหวังมากเกินไปนะนะบางทีคนเราก็ต้องมีเรียกว่ามีจุดเปลี่ยนของแต่ละคนบ้างหรือบางทีก็ต้องมีระยะเวลาในการปรับปรุงแก้ไขบ้างนะอันนี้เราก็ไม่ได้ไปคาดคันเกินไปบางทีบางคนช่วยเหลือคนอื่นนะแต่ก็คาดหวังเหลือเกินว่าเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงภายในวันนี้ ไปในเดือนนี้ไปในปีนี้นะหรือแม้แต่บางทีเราก็เห็นไม้มบางทีเราทุกใจเพราะว่าความคาดหวังในตัวเราเองก็มีนะเราภาวนาไปปฏิบัติไปนะอยากจะให้จิตใจมาสงบทันทนะีอยากจะให้เกิดความรู้ขึ้นภายในสามเดือนสามปีเจ็ดนะปีถ้าไม่รู้จะเลิกปฏิบัติอะไรเนะี่ยบางทีไปคาดหวังแบบนั้นนะแต่ถ้าเรา ตั้งใจว่าเราจะฝึกไปเรื่อยๆนะไม่ย่อท้อไม่ท้อถอยอจะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอะไรหรือไม่ไม่สําคัญแต่สําคัญคือเราได้พยายามฝึกฝนเดินตามรอยพระพุทธเจ้าแล้วมันน่าจะดีกว่านะอัตมาว่านะมันน่าจะดีเนี่ยถ้าเราทําแบบนี้นะเราถือว่าเราได้ได้รังคํา ส, สอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้เดินตามรอยของพระพุทธเจ้าแล้ว พวกนี้เป็นสิ่งที่ที่สําคัญมากเนาะก็คิดว่าสิ่งต่างๆเราเนี้ยนะก็ถ้าพวกเราได้ฝึกฝนนะในเรื่องของศีลเรื่องของวินัย น, นะให้เกิดขึ้นในจิตในใจของเราเรารักษาศีลเพราะาเห็นว่าศีลเ น, นี่ยจะกลับมารักษาตัวเรานะเรารักษาศีลเพราะว่าเราไม่อยากจะเบียดเบียนคนอื่นสิ่งอื่นวัตถุอื่น เพราะการเบียดเวียนคนอื่นวัตถุอื่นสิ่งอื่นก็คือการสร้างกรรมให้กับตัวของเราเองนะเกิดวิบากกรรมขึ้นมาเองนะมันก็เกิดความทุกข์ใจเองเราทำความดีความงามเพราะว่านะคนอื่นเขาก็จะได้ประโยชน์ตัวเราเองก็ได้ประโยชน์เกิดความสุขใจที่ได้ทำความดีเราฝึกหัดฝึกฝึกหัด จ, จิตใจเราทากรรมฐานน ะ, จะเจริญ สติก็เพื่ออะไรเพื่อให้รู้เท่าทันแล้วก็แก้ไขความไม่ดีในจิตใจของเราเนี่ยแหละนะไม่ใช่ไปเพ่งโทษที่คนอื่นแต่กลับมาดูมาเห็นว่าที่จริงถ้าจะหายักหามานหาเปดหาผีเนี่ยจะไปหาข้างนอกมันจะเห็นที่ใจตัวเองระมันมีนะเห็นไหมระดับโกรธเนี่ยไปดูหน้ากระจกหน้าเราเนั่แหละเป็นผีนะอนะ หน้าตาแต่เป็นยักษ์เวลาอยากได้อะไรนี่เปรตมันเกิดขึ้นแล้วในจิตในใจหน้าตาสวยหน้าตาหล่อหน้าตาดีหน้าตาขิ้เลศแต่ถ้าเปรตเกิดขึ้นในจิตใจก็ไม่งามทั้งนั้นแหละ อ, ะอาค่าพยาบาทจองร้างจองผานผู้อื่นสุนรกายก็เกิดขึ้นแล้วในจิตในใจเรากลับมาเห็นนลยนะโอ้ที่จริง ความไม่ดีนะต่างๆมันเกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยแหละกลับมาแก้ไขกลับมาเปลี่ยนมันพอเรามีสติรู้ทันนะนะมันจะตกไปนะมันจะหายไปพอขาดสติใหม่มอาจจะกลับมาใหม่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็กลับมารู้สึกตัวใหม่นะเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในใจนะแล้วก็พอรู้ทันมาแล้วมันก็ทําอะไรกับเราไม่ได้ เหมือนอย่างที่พระเจ้าท่านตัดไว้ในปฐมมรพาสิทนะท่านบอกว่าเรารู้จักนายช่างผู้ปลูกเรือนแล้วต่อไปเจ้าจะทําเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะอ่าเนี่ยเราเห็นแล้วว่าไอ้ตัวเนี้ยสร้างพบสร้างชาติจนทางกลายเป็นความทุกข์พอเรารู้จักแล้วเราก็ไม่ให้เขาสร้างได้นะเหมือนเราเห็นนะเราเห็นจอมเราเห็นปวกจะขึ้นเสาแล้ ว, ลวนะ แล้วก็เอาเขาออกไปเขาก็ขึ้นเดือนไม่ได้อีกแล้วอันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าเราเห็นเห็นความอยากนะเห็นกิเลสตัณหาเกิดขึ้นในจิตใจมันก็ทําอะไรไม่ไดนะ้แต่ถ้ามันยังมีต้นตอยังมีร่างเง่าอยู่นะมันก็ยังเกิดขึ้นมาใหม่นะเราก็ค่อยๆนะละมันไปทีละครั้งนะคล้ายๆเหมือนกับญยาเนาะ แ, แรกๆเราก็ไม่รู้หรอกว่าหญ้ามันเกิดจากไหนหนะญ้ามันเกิดเนื้อด่างมันอยู่ใต้ดินนะแต่เราเห็นหญ้าตอนที่มันโผล่ขึ้นมาบนผิวดินแล้วเราก็ตัดหญ้าไปเรื่อยๆแต่เราก็รู้สึกว่าตัดใหม่ตัดหญ้าทีไรหญ้าก็ขึ้นใหม่ทุกครั้งแล้วก็คอยตัดหญ้าอยู่เสมอคอยตัดหญ้าอยู่เสมอนะมันก็ดูดีนะแต่หญ้าก็ขึ้นใหม่ทุกทีนะ จนทังสติปัญญาเรารู้ความจริงว่าเออหญ้าเนี่ยนะมันมีรากของมันเนา ะ, นะเพราะมันมีรากมันถึงมีใบขึ้นมานเราคอยแต่ตั ด, ตดใบของมันมันยังไม่หายสัทีแต่มันก็ดีนะมันทำให้หญ้าไม่งามไม่แผ่ออกไปแต่แท้ที่จริงแล้วการที่จะขจัดหญ้าออกไปจากพื้นแผ่นดินนี้ก็ต้องขุดรากเง่าของมันออกไปะัะนั้นความทุกข์เนี่ย มาเป็นเพียงแค่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าเรามีมีตัณหามีอุปาทานมีความยึดมั่นถือมั่นนี่แหละเมื่อเราเห็นนะเมื่อเราเห็นรากเหง้าของความทุกข์ก็คือกิเลสตัณหาอุปาทานมาถอนที่ตรงนั้นแหละนะมาถึงจะละได้อันนี้แหละคือเราก็มีสติไปเรื่อยๆนะเห็นทุกข์ก็จะเห็นเหตุของความทุกข์นะ ละเหตุของความทุกข์ได้ก็ไม่ทุกข์นะทำแบบนี้ไปเสมอๆนะี่ก็คือการที่เราฝึกจิตนะให้เข้าถึงความบริสุทธิ์หมดจดจิตใจที่มีความสะอาดสว่างสวาอยู่เสมอนี่แหละนะคือจิตใจที่กิเลส ต, ตัณหาครอบงำไม่ได้นะพวกเราสามารถทําได้นะนะสองพปีที่พระเจ้าท่านให้โอว่าทะปาติโมกไว้เราเอามาใช้ในชีวิตประจําวันให้ได้มากที่สุด ไม่ว่าเราจะเป็นพระไม่ว่าเราจะเป็นแม่ชีไม่ว่าเราจะเป็นสามเณรไม่ว่าจะจะเป็นข้าราชกอุบาสกอุบาสิกานะเราสามารถทําได้ให้เราเชื่อมั่นว่าจิตพุท ธ, ธะนี่มีอยู่ในในจิตใจของเราเช่นเดียวกับจิตของพุทธเจ้าเช่นเดียวกับจิตของพระอรหันต์แต่เพียงแตว่าจิตพุท ธ, ธะของเราเนี่ยมันยังมีจิตอธรรมนะเข้ามาแทรกแซงอยู่บ่อย เราต้องคอยฝึกสติให้รู้ทันนะจิตที่เป็นอกุศลต่างๆที่มันเกิดขึ้นเมื่อรู้ทันแล้วจิตที่เป็นอกุศลก็ทํางานไม่ได้ก็เหลือแต่เป็นจิตที่เป็นกุศลแล้วก็เป็นจิตที่เป็นพุทธะเท่านั้นเนี่ยเราฝึกเช่นนี้นะฝึกเรื่อยๆเยๆนาะอย่าท้ออย่าถอยนะขันติความอดทนอดกั้นนะาะก็เป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนะบางทีก็ต้องทํา เนี่ยยังมีขันติมีความอดทนกดกั้นแต่ไม่ใช่กั้นอย่างต้องทุกนะต้องรู้จะมีการปล่อยวางมีการระบายไม่ใช่เหมือนกับคันน้ําคอยกั้นน้ํากั้นไปแล้วแล้มันก็เดี๋ยวพอทํานบมันแตกก็ไหลบ่าไปเลยนะบางทีนะบางคนคิดว่าบางทีเราต้องอดทนอดทนถ้าเดียวอดทนถ้าเดียวเจออะไรก็ทํา เกนะ็บกดไว้แต่จริงนะวิธีที่ยังง่ายกว่าความอดทนคือการปล่อยวางไปเลยนะมีคนมาว่าเราไม่ใช่อดทนอืครั้งที่หนึ่งแล้วนะครั้งที่สองแล้วนะจะให้ถึงครั้งที่สามนะนะระเบิดนะอะไรนะแต่จริงปล่อยวางไปเลยนะครั้งที่หนึ่งก็ไม่เก็บครั้งที่สองก็ไม่เก็บครั้งที่สามก็ไม่เก็บนะมาสบายกว่าอนะอันเนี้ยเราลองหนูนะเราใช้อุเบกขาใช้การปล่อยวาง ดีกว่าการอดทนแต่ขันตินี่คือความเรียกว่าการบางทีเป็นการยับยั้งใจจากอากุศล น, นะนะจากความคิดที่มันไม่ดีเรายับยั้งใจนะไม่เป็นคนส่วนกันนะก็หลายๆส่วนเนาะธรรมะนี่มีมี ม, ม, ม, มากมายมหาศาลนะนะแต่แท้จริงแล้วธรรมะน่ยก็จะว่าโดยย่อก็อย่างที่โอวทาทัปติโมกนั่นแหละนะเราไม่ การที่ไม่ทําความชั่วนะการทําความดีทํากุศลแล้วก็การชรําระจิตของตนให้ขาวรอบนั่นแหละคือโอวาทโดยย่อๆนะให้พวกเราได้ถือโอวาทแค่นี้แหละนะถือว่าเป็นศีลของเราก็ได้ถือว่าเป็นวิธีปฏิบัติก็ได้นะเป็นธรรมะนะแล้วก็เป็นวินัยอยู่ในตัวของมันเองนะอันนี้แหละเราจะเป็นผู้ที่เดินตามรอยพระพุทธเจ้าเนาะอาตมาก็คิดว่า พอสมควรเกเวลานะก็คิดว่าเรากลับพา พ, พร้อมกัน